ทั้ง4คนที่บริษัททั้งหลายพระบรรดาลูกหลานที่รัก <c oughs> วันนี้มาต่อกันเรื่องเขามาหอสดบันดิตตามเดิมเป็นอนวุวาตคนทั้งสี่ตกลงไปในหลุมจาระหลุมมีความสูงมากแต่อาจารนในจาระที่มีในสุมในหลุมมันแค่เอว แล้วก็ต้องทรมานอยู่ในหลุมนั่นทั้งกงวันลองคืนเขานั่งลองคิดดูคิดดูว่ามันจะเป็นความสุขแล้วเป็นความทุกข์นี่อารมณ์อิจฉาที่สียาบุคคลอื่นนี่ผลมันก็สนอนในชาติปัจจุบันเต็นนั้นว่าพิษของยาเท่าสนรพัสพิษนี่มันร้ายแรงมากลูกหลานที่รัก ยิ่งลังไปเท่อน่าเจนว่าเขาจะไม่ได้รู้สึกตัวเขาเลยว่าเขาเป็นคนชั่วแต่ววเขาเป็นคนเ็วนี่คิดจะฆ่าผัวเขาเอาเมียมันใกล้ๆเห็นว่ามโหสถบัณฑิตเป็นคนมีปัญญากว่าแต่ววความจรงิงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าคนดีเนี่ย ถ้าเราอยากจะดีถ้าเห็นใครเขาดีกว่าเรา จ, จึงยินยินดีในความดีของเขาไม่อิจฉาด้วยสิยาแล้วเราก็คบค้ามสมาคมกับคนดีถ้าเราทําอย่างนี้แล้วก็ไอ้ความดีนั่นมันจะสนองเราเ ห, หมายความว่าคือว่าความดีจะสนองก็เพราะ ว, ว่าเทาก็เราก็มองดูว่าเขาดีเพราะอะไร ทำไมเขาจึงดีแล้วก็มองดูความความาพฤติการปฏิบัติแล้วเขาทำแบบนี้ดีเราเอาอย่างบ้าง mm hmm. เพียงเท่านี้แล้วโลกหลานทั้งหลายเราก็จะดีด้วยช่วยกันดีแต่การอิทธิชัลลิษยาแบบนี้มันเป็นพิษเป็นภยัยดูฮันดาเสนกเป็นต้นอาจารย์นั่นสีที่มีจิตคิดร้ายต่อมโหสถ แทนที่จะประโยชน์จะตกกระตนก็กลายเป็นโทษแล้วคุยกันต่อไปเป็นอันว่าบัณฑิตทั้งสี่คนเมื่อเราไปพบกันในหลวงนะอุจาระเป็นลึกขนาดท้องน่ะอุจาระนี่ยจมจากขาขึ้นมาถึงท้องจึงศึกษากันว่านี่เราจะทํายังไงกันดีนี่มันเป็นเรื่องที่น่าอายขายหน้าอย่างยิ่งขั้นเย้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ ไอ้ปากหลุมก็อยู่สูงมากทั้งสี่คนอยู่ในหลุมจะลอยคืนแต่ก่ ร, รุ่งเช้านามอนได้คนเอาเชือกย่อนลงไปแล้วก็ถูกขึ้นมาทีละคนเมื่อขึ้นมาพร้อมกันเพียงให้อาบน้ำชำระร่างกายแล้วก็มีโกนมาโกนผมนโกนหนวดเอาอีกหูไปจนเลือด ก็สิดๆม่นี่ความจริงลูกหลังนั้นหลายคิดว่าแล้วผู้นี้เป็นผู้หญิงทำไมทางโกชายได้แกจะลืมว่ามโหสถนะมีบริวารคือมีเพื่อนตั้งพันคนแล้วก็มีคนรับใช้ที่บราชามอาใพ้อีกเป็นร้อยๆอยคนก็เรื่องความว่อคนเขามโหสดจริงๆอ่ะถ้าจะนับกันก็ในบ้านมีตั้งหลายพันคน ฉะนั้นยังไม่ทำกับไอ้เท่าทรอยชนนี้ได้ไม่อยากเจ้ทำกับคนอักสองสามคนนะที่มันมีกิจคิดประทุษร้ายตะวันดาประชาชนชาวไทยทำให้คนไทยต้องตรกตะกั่วลำบากนับไปแสนแสนคนเจ้าเท่าทลาชนราเพลนีเจ้าเท่าทัา้งสี่เนี่ยมันมีคติทำลายก็ขอโทษขอโทษ โตยความจริงเรื่องนี้ม่จะกประเทศไทยเป็นเมื อ, องเขาระเจ้าวิทยราชที่เป็นเมืองมิถิลามหานครใช่หรือไม่ใช่จำไม่ได้เด็กอาบน้ำชำละกายแล้วก็มีโกนมานมโกนผมโกนหนวดเอาอิดมาถูจนเลือดออกสิบสิบแล้วก็ตำเข้าสายเขาหนึ่งทนนานใช่ไหมกับ เนะอาผสมกับน้ำเอาก็สารมาหนึ่งทนานเอนาผสมกับน้ําแล้วก็ตําให้ละเอียดทั้งสานาในอีกก่อนแล้วก็เอาใบเปียกกับข้าวเปียกเข้าใจข้าวเปียกไหมที่เขาหุงปเปียกปเป็นข้าวเหนียวแล้วทาทั่วจนตัวเขามันดิตมันเหนียวนี่ทาจนทั่วตัวของคนนังสีตั้งแต่ศีรษะ แล้วก็นุ่งโรยให้ทั่วแต่งตัวตลอดกายให้แต่งตัวแวสวยดูดก็มีขนปุยเป็นนุ่งคล้ายฉ น, นีาขาวขาวโรยให้ทั่วตั้งแต่หัวตลอดเท้าทําเท่านี้ก็ยังไม่พอนางก็ให้เอาเสื้อลแพนมาม้วนตัวบัณฑิตทั้งสี่แล้วก็เชือกมัดปิดปากไว้ใช่ไหมปิดทั้งหัวปิดทั้งท้าย ก็เสร็จแล้วก็คุณแบก ไ, ไปเพื่อนำไปถวายพระราชาพร้อมกันนี้นางก็นําราชาพรนั่งสี่นำเข้าไปถวายด้วยปเป็นเครื่องบรรดาศักดิ์งสี่ที่อาจารย์เสียนก็นนกกมาขายามาให้นั่นแหละมาให้โดนบายนางนางก็นําไปด้วยมเมื่อพระราชาทรงทราบว่านางอันมานามรจะมาเฝ้า เจ้าทรงนุญาตให้เข้าเฝ่าได้ น, นางมรณาทูลว่าขอดีชะก็มอมฉันนำเครื่องบรรณาการมาทูลกล้าวถวายพระองค์พระเจ้าค่ะแล้วนางก็เอาคนเอาเสื่อำลำพันมาวางไว้แทบทั้บ่ายของพระราชาพระราชาทรงรับสั่งให้เปิดเสื่อำลำพันนั้นออกพอทอดพะเนี่เห็นมันดิดตทั้งสี่ มองแล้วก็เหมือนลิงเผือกความจริงเหมือนลิงเผือกกับเหมือนเหมือนเชนีก็เหมือนเป็ น, น, นขาวโอนไปทั้งตัวแต่ลักษณะเป็นคล้ายลิงเผือกมากกว่าเจียวทรงนิ่งอึง้งไม่ได้ทรงทราบตัวสายปลาเหตุประทับนิ่งอยู่ทั้งนานแลวประทับดุษณีภาพอยู่ไอ้ดุษรีภาพเหียโรนนิ่ง บรรดามหาชนบรรดาประชาชน น, free. นั่งหลายให้บัณฑิตเที่ยวซีนีลักษณะอย่างนั้นก็พูดคำว่าโอนหนอเจ้าลิงเผือกเจ้าลยงเผล้ยองามจริงๆนะก็ลิงเผือกนะสวยเลยเกิน ง, งามเลยเกินแล้วก็พาครอยเทหากันใหญ่ปบมือกันลั่นลั่นพนักคอนบรรดาบัณฑิตเทัย่ยวซแสนี่อับอายขายหน้า ลูกหลานทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าชาวบ้านเนี่ยเขารู้ได้ยังไงก็เคารู้ว่าคนในบ้านหมอกมาห่อสดเป็นพันๆคนเมื่อทําอย่างนี้แล้วคนต่อคนก็ส่งข่าวกันไปไอเ้เรื่องการส่งข่าวกันนะเราส่งข่าวด้วยวิทยุแล้วส่งข่าวด้วยกระสือพิมพ์นี่มันช้ากว่าข่าวปากคนข่าวปากคนนี่เราส่งกันได้ง่ายแล้วก็สะดวก แระเดี๋ยวเดียวคนก็มาเต็มล้อมพระราชวังพระบราชาไว้ด้านนาอมนก็นเนี่ยจปล่อยลิงเผือกตัวใหญ่ๆออกมาแล้วก็เหตุใหญ่ๆเพราะเรืกัญชาตึงบรรดาท่านบัณฑิตทังสี่ไม่ใช่บัณฑิตแล้วเป็นบัณฑิตแล้วแสนที่อยาก อ, อายขายหน้าแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่นั่งก้มหน้านิ่งเฉยทีนลูกหลานที่รักปัญญาเป็นของสาคัญ ไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันไม่เกินปัญญาถ้าเรามีปัญญาที่อย่างทุกสียงทอย่างมันก็เป็นไปโดยโดยสะดวกนาโมน้นำราชาภรณสีคือธุลามุนีพระสวนรณมาลาแล้วผ้ากำพลปูพองท่านพระท่านบรรทมจะร้อมพระบาททรงคำพระถวายพระราชาและกราบทูลว่าขอเดชะ ข้าแต่มหาราชเจ้ามอมฉันขอถวายความศัทธาจริงว่ามโหสถไม่ได้เป็นโจรดังคากล่าวของบัณฑิตเจ้าศีแต่ที่แท้จริง น, นั้นบัณฑิตเจ้าศีนี่บัณฑิตเจ้าศของพระองค์ขององค์ระดับเจ้าข้าเป็นโจรและม่อมฉันมีหลักฐานยืนยัน เพราะว่าสามารถจะข้อเท็จจริงมีพยินพยานเสร็จจะมายืนยันได้พระเจ้าค่ะขอได้ในทรงโปรกคุณาโปรดพระราชทานโอกาสให้มอมฉันนี้กระดาบคุนความจริงเธอไปเจ้าค่พระราชามาได้ทรงสันดับแต่ความจริงก็รักคนสงคนอยู่แล้วนะ ก็่นสงกรอนุญาตเราอนุญาตให้เจ้านำหลักฐานมาและก็จงให้การตามความเป็นจริงได้นางอมรไม่ได้รับอนุญาตแล้วจึงไดกล่าวว่าเส้นนกนี่จะจ่ะรักจนมณีเพื่อปิ่นปากวิเกศาปุโรษะรักพระสวนมนลาจามินรักข้ากับคนทมท่านมันทม แล้วก็เทวินลักษลมรบบาททองคำคนทั้งสี่นี้ได้สาวใช้ชื่อ น, นั้นชื่อ น, นั้นตามที่กิดไว้แล้วก็เป็นลูกของใครลูกคนนั้นนาราชาพรไปเสียไปให้คนละสิ่งถ้าส่งไปขายที่บ้านความอมฉันในวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นบอกเสร็จมอมฉันดนวันทึกไว้เป็นหลักฐานร้อมแล้ว แการขายก็ขายแปลกบ้านอื่นไม่ไปไปบ้านหม่อมฉันบ้านเดียวมอมฉันเห็นผิดสังเกตเขาเดินวนไปวนมาร้องขายของแต่ไม่ได้บอกขายของสีอย่างนี้เขามีของคลุมเขไว้แล้วก็บอกขายข้างบนของนี่อยู่ข้างล่างม่อมฉันสงสัยที่ไม่บอกกเขาว่าฉันอยากหม่อมฉันอยากจะได้แต่ไม่มีเงินมา จะให้ไปให้เาสาใชาค่คนหนึ่งมาหาพอเขาไปเขาเปิดดูก็ทราบว่าขอเขนะั้อสีนี้อยู่ภายในนี่หลักฐานของมอมฉันมีพระเจ้าค่ะเขาโ อ, อนไ้ทรงทอดเป็นเนตรนังอสีมันทึกสำคัญที่มอมฉันนำมาด้วยแล้วก็ขอทรงรับไว้เป็นหลักฐานพิสูจน์หาความจริงเถิดพระเจ้าค่ะขั้นการคุณแล้วนางก็จะไหวบังคมลากลับ ราชาไม่ได้ตัดป่าอะไรเพราะว่าในพระไทยระอง์ยังนึกรังเกียจมโหสถอยู่กับทรงทราบว่ามโหสถหนีพระสิษย์ก็ทรงแม่พระไทยว่ามโหสถต้องเป็นโจรรักราชาพรเป็นแน่ไม่ฉคนั้นแล้วก็คงจะไม่หนีไปแม้จะนา ม, มอญมากราภพลข้อที่จริงและหลักฐานอร้างเอง ก็แต่เรียนทรงนิ่งอยู่จะไม่แน่ใจก็ยังไม่ทรงรับสั่งและไม่สอบสวนแต่ประการใดที่อย่างใดทั้งหมดแต่ให้บัณฑิตทั้งสี่กลับไปบ้านแม่น่าเจ็บใจเมื่อทรงตัดสินทำไให้บัณฑิตทั้งสี่กลับมาบ้านแต่บอกว่าสดมนก็หนีไปแล้วนี่ เมื่อมโหสถหนีไปแล้วราชสำนักของพระราชาสุะเจ้าวิทีหาด้ยคงเงียบขาดคนสำคัญที่จะถวายอัตธรรมแก่พระราชาให้มีความสุขขมกับะผีรภาพก็เหลือแต่คนยุ่อย่างแตงแสงทำลายความสุขของคนท้งชาติจึงทำให้ราชสำนักหมดความคลึกครืนไม่เหมือนขณะที่มโหสถอยู่ ตอนนี้เทพ ป, ปัญหาท่านกล่าวว่าในเวลานั้นเทวาดาผู้สิงอยู่ในสเสวิกาชัดเาวเจ้าวิธิหารเมื่อได้สนดับอัตธรรมเมื่อไม่ได้สนดับอัตธรรมก็โมโหสดเวลาที่มโหสดมาคุยโหสถคยุยเรื่องธรรมะธรรมโอไอธรรมะเนี่ยคือกฎของความเป็นจริงให้เป็นไปตามความเป็นจริงของจริงคือธรรมะ ขอไม่จริงคืออาธรรมคือสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยธรรมะคือเป็นสิ่งที่ทางกําลังใจให้สดชืน่นอย่างที่เราพูดอะไรจริงๆตรงไปตรงมาไม่โกโหกหมดเท็จอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมะพูดพฤติการสงเคราะห์อย่างน้ําท่วมเราอยากจะไปช่วยขาให้พ้นจากความทุกข์เมื่อความแหลงเกิดขึ้นเขาอดเขาอยากเราอยากจะไปช่วยเขาให้หมดทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมะ ธรรมะไม่ใชของแปลกเพราะว่าเราก็ได้คุยกันมากว่านี่บรรดาพ่อแม่ของเรามีคุณมากนะถ้าเราโตใครเกิดมานี่ถ้าไม่รักเราท่านปล่อยให้เราตายเมื่อะไรก็ได้เราจะมาเรียนเอาเสียทั้งหามีวิชาความรู้ก็ร้อยสัยความรักของพ่อของแม่ความจริงพ่อแม่ท่าเป็นคนดีมากเราควรจะมีความกตัญญูรู้คุณในท่านอย่างนี้ก็เป็นธรรมะ ถ้าเราไปที่โรงเรียนครูมาอาจารย์สอนอยังไงเราจําตามนั้นให้แบบพืชแบบไหนปฏิบัติตามนั้นแต่ก็ดูครูนะครูเวลานี้ก็ไม่แน่นักดูท่านถ้าครูคนไหนกินเหล้าครูคนไหนโสบบุรีครูคนไหนคิดคดตรยศต่อชาติทําลายความสุขของปวงชนครูประเภทนี้ไม่ควรจะเอาเป็นตัวอย่าง แล้วว่าไม่มีมัญญาตและจริยาของครูแต่ครูที่แท้จริงเ็าต้องสอนไม่ได้ของความสุขและได้ของความดีแต่ครูนี่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ น, น่าเสียดายบรรดาโลห์หลานที่รักพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติถ้าบังเอิญเสียไปแต่คนทุกคนในชาติจะกลายเป็นคนเสียหมด <c oughs> แต่กระจงอย่าลืมว่าคนไทยคนในประเทศไทยนับเป็นแสนแสงคนอาจจะถึงล้านคนคือทุกคนไม่จะเสียทั้งหมดที่ดีมีมากแต่ที่เสียก็อาจจะมีเราก็คืนต่อไปเอาแต่คนดีก็แล้วกันเมื่อมโหสถไม่ได้สแสดงธรรมคือพูดระลอกความประพฤติดีือวาดามาได้ฟัง เทวดาก็ เ, าเลยไม่ชอบใจเพราะว่าโมโหสดต้องหนีไปเทวดาที่ได้ทราบความสุจริตเขาโมโหสดเป็นอย่างดีแต่ความจริงเทวดานี่ยเขารู้มารมเป็นทิศใครคิดอะไรเขายัางรู้เลยไม่ต้องโพษหรอกลึกว่าจะทําเทวดาก็ารู้แต่เรื่องการนี้เทวดาจะเข้าไปห้ามไปปรามเขามันเกินมิสยัย แต่คิดว่ดาเทวดาต้องช่วยอย่างนั้นได้เทวดาช่วยอย่างนี้ได้มันเกินวิสัยความเป็นจริงลูกหลานที่รักท่านอาจจะช่วยได้แต่ในด้านของความดีแต่ว่าถ้ากดของกรรมคือความอิจฉาดุจยาก็ามีขึ้นม า, ทนานเทวดาก็ช่วยยากเหมือนกันนี่เทวดาจริง ไ, งไม่ตั้งใจว่าให้ต้องการให้โหสหกลับมาอยู่บ้านตามเดิม การดูวเวลากลางคืนเทวันดาจึงแหวกสเวกชัดออกมาถามปัญหากับพระเจ้าวิททาราชสี่ข้อที่ฟังปัญหาของเทวันดานะ่ยที่โบราณที่ายกล่าวว่าคนดีผีคลุ่มปัญหาข้อที่หนึ่งก็คือว่าคนที่ทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยมือ และเท้ากลับเป็นที่รักของผู้ถูกทำร้ายครงเห็นว่าผู้ที่รักนั้นได้จากใครแหมอไม่ดีทาไมบุคคลที่ทำร้ายบุคคลอื่นด้วยมือแค่เท้ากลับเป็นที่รักของผู้ถูกทำร้ายบุคคลคอูองค์สเห็นว่าผู้ที่รักนั้นเป็นได้จากใคร ปัญหาข้อดีสองบุคคลด่าผู้อื่นด้วยความรักไม่อยากให้ผู้ด่านั้นได้รับอันตรายบุคคลผู้ผู้ด่าย่อมเป็นที่รักของผู้ดา่าเราเห็นว่าใครเป็นที่รักของผู้ดา่าเอ้ต้องคิดนะข้อดีหนึ่งว่าคนที่ทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยมือและด้วยเท้ากบเป็นที่รัก ของบุคคลผู้โกรธทำร้ายรู้เห็นว่าเป็นที่บุคคลที่เป็นที่รักนั้นได้แก่ไขมันมีที่ไหนนะาะเทวดาอาเรามาถามกันเนาะ<ม>ไอ้ปัญหาคนนี้มันแก้ออยากร้บุคคลด่าคนอื่นได้ความรักด่าด้วยความรักมันมีมันไม่น่าจะมีในโลกหลังที่รักก็ฟัง<ม><ม>เรื่องต่อไป แล้วก็ไม่อยากให้ผู้ถูกด่านั้นในรับอันตรายคนผู้ถูกด่าย่อมเป็นที่รักของผู้ดา่าเอารถอะพีรักแล้วก็ดา่าต้องคิดคือองค์ทรงเห็นว่าใครเป็นที่รักของผู้ดา่าสาบุคคลนี้กล่าวตูวกันด้วยเทยคําที่ไม่จริงโตเถียงทักท้วงกันได้วยเทยคําที่หล่อแหลกแต่เป็นที่รักของความของกันและกัน พระองค์คนเห็นว่าเห็นว่าได้แต่เรื่องนี้ได้แก่ไข่นั้นปัญหาก็นี้ว่ายังไงบุคคลที่กล่าวโตโตูต้ด้วยกันตูโต้กันไปตูกันมาได้เรื่องที่มันไม่จริงโตเถียงทักท้วงกันด้วยถ้อยคานี้หาประโยชน์ไม่ได้รอแหละราแหละแต่เป็นนิรักของกันและกันพรงส์ทเห็นว่าปัญหานี้ได้แก่ไข่ ปัญหาข้อดีสี่คนที่นำข้าวน้ำผ้าและเสียนาสนะที่นั่งของบุคคลอื่นไปได้กลับเป็นที่รักของบุคคลผู้เป็นเจ้าของเรื่องรคงเห็นว่านี่ได้แก่ใครโอ้โหเทว ด, ดานี่ก็นำมาปัญหาโลกแตกมาถามมันมีที่ไหนนะไอ้คนตีเขา ด้มือก็คืบเขาได้เท้าแล้วเขาจะรักโอ้โหเอาฟังท่านต่อไปลือหลานนั่งหลายฟังและคิดออกไหมนั่ง น, นั่งคิดดิลองใช้ปัญญาก่อนที่จะฟังมโหสถดแก่แล ะ, ระแ ว, นนะวระราชาแก่วันี้มโมสุดคุณยังไม่แก่ไปนั่งไปราชาาด้ทรงสะดปัญหาเทวดาก็หมดปัญญาที่จะทรงแก่ได้ ยิงขอปัดว่าจะแก้ปัญหาทั้งสี่ข้อในี้ในวันรุ่งขึ้นเทวดาก็ไมญากแต่กังขาว่าหาพระองค์แก้ปัญหานี้ด้วยพระองเองไม่ได้หรือว่าหาอื่นมาแก้ไม่ได้พระองจะต้องรับเทวทันอย่างหนักคือต้องถูกลงโทษจเทวดาในการถูกลงโทษจากเทวดานี่ไม่รู้จะลงโทษแบบไหนนี่มันยุ่งให้สตังแค่ก็ไม่เอา สำนักพระราชามาทรงประดับแล้วก็ทรงหวาดฝันต่อเทวทันคือถือถูกเทวดาลงโทษอย่างยิ่งตลอดคืนก็บรรทุมไม่หลับเคื น, นอนไม่หลับวันรุ่งขึ้นเชา้าจัดลิขิตบัณฑิตทั้งสี่มาเฝ้าครั้รบัณฑิตทั้ ง, งสี่มาเฝ้าพร้อมหน้ากันแล้วตอนนี้หัวยังหล่นอยู่เร่งยึงสัมปทานตรัฐธรรมจารย์สีนกก่อนว่าท้าอาจารย์ เมื่อคืนนี้เทวดาโพสิงอยู่นับเสวิกชัดได้มาถามปัญหาเกี่เราสี่ข้อเราขอถัดว่าจะรอถามพระท่านดูก่อนท่านอาจารย์เสียนกช่วยตอบปัญหาข้อที่หนึ่งก่อนแล้วพระราชาก็ทรงตรัสปัญหาข้อที่หนึ่งที่เทวดาถามให้เสียนกแก้ปัญหาข้อที่หนึ่งคือว่าคนที่ทําร้ายร่างกายผู้อื่น ด้วมือและด้เท้ากลับเป็นที่รักของผู้โถทํร้ายพระองค์ทรงว่าบุคคลนั้นได้แก่ใครพระอาจารย์เสียนกเขาตอบอาจารย์เสียนกได้ฟังเทวปัญหาข้อที่หนึ่งแล้วก็บนอบอิ่ว่าปัญหาบ้าบาบอนี่มาถามได้ใครทำร้ายอะไรรักอะไรเป็นอันไม่เห็นเงื่อนงำ มามองไม่เห็นว่าปัญหาจะตอบแบบไหนได้นั่งมือตาลอยหันไรู้สากอาจารย์ิสามคนอาจารย์ิสามคนก็คิดไม่ออกเหมือนกันจิงกราบทูลว่าหมดปัญญาพระเจ้าขา่าแล้วก็องคราบกราบถวายบังคมลากลับเมื่พระราชาทรงกรวงวลกังวายสนบะทา ย, ยาจันจิที่ว่าอาจายสายอาจารย์นั้สนอสี ก็หมดหวังเพราว่าไม่มีหวังซสแล้วหมดตอบไม่ได้กลับบ้านไม่ทางไงซึ่งเกรนก็ยัะถูกเทวดา ล, ลงโทษถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ซึ่งคุ้นคิดอยู่จนกทั้งถึงกลางคืนตอนกลางคืนนั่นเองเทวดาได้ออกมาถามอีกว่าเรียกว่ายังไงพระองค์แก้ปัญหานั้นได้หรือยัง ราชาจะนิตต์ว่าพระเจ้านําปัญหาไปถามมณฑิตทั้งสี่แล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันขพระเจ้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ในเมื่อเราไม่รู้ทําไงแต่ว่าที่พระราชาต่อขเทวดาลใจเต้นตึกตึกตึกตึกตึกกลัวกขบงเทวดาลเทวดาก็ถึงก็บองใหญ่มา เมื่อพระราชาตอบว่าไม่รู้เรวดาชนิโขวานี่ยพระราชาอาจารย์ทั้งสี่นี้จะไปรู้อะไรข้าพเจ้าจะบอกให้ปัญหานี้เป็นแจกมโหสถมณิตไม่มีใครจะแก้ได้ขอพระองค์จงเรียกมโหมโหสถมณิตมาแก้ปัญหานี้ถ้าไม่เรียกมโหสถมณิตมากล่าวแก้ปัญหาข้าพเจ้าจะขอนเหล็กนี้ไม่ไหม คอเหล็กที่ม <politique> ีไฟลูกโชนเห็นไหมเห็นเห็นไหมเทวดาถือมาด้วยเนี่ยเจ้าป้ายเจ็บายของท่านให้แตกแหลกลามไปทั้งตัวขอให้ก็แตกตัวก็แตกจะเผานี่ยไปที่ติดมาว่าคอโอโห้เวลาชายคอนเทวรดากระจายเต้นพับพับพับพับพับพตายแล no. <ING> ้วตายแล้วเทวดาลรียท่านี้ลูกแก้วเนี่ยตายคนนี้แน่ เป็นอนุญาตคือวันดาไม่ไดเตือนให้สติต่อไปว่าจะได้เตือนต่อไปว่าพระองค์เนะ่ะช่างไม่มีความคิดอะไรพระองค์ช่างงมงายเสียจริงๆความจริงไอ้ความง ม, มงายือโง่เง่าเต่า ต, ตนในเมื่อไปมีอยู่มือดีแล้วแม่ไม่ควรจะเป่าเต่าแสงหิงห้่อย อีกเลยอะไร า, าในเมื่อไฟมีอยู่ดีแล้วก็ไม่ควรจะเป่าแสงหิงห้อยเเลยนี่หมายความว่าคนดีที่มีปัญญาได้แก่มโหสถบัณฑิตคนมีปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้ากลาว่าแสงสว่างอื่นใดจะสว่างเหมือนปัญญาไม่มีเขาแสงอาทิตย์ก็ ด, แกกดีแสงไฟก็ดี ถ้าเราจะจุดขึ้นสว่างถ้ามีอะไรบงังและมีอะไรบงังก็ไม่สามารถจะส่องแสงเข้าไปได้อย่างในถ้าเนี่ยแสงอาทิตย์ส่งเขับไปไม่ทิ้งแต่แสงของปัญญานี่สามารถจะส่งเข้าไปทุกจุดเหมือนกับเราเก็บของไวใ้ในหีบในห่อในตู้ในที่ลึกในที่มืดเก็บแล้วก็ปิดสนิท แต่ว่าถ้าเรายังมีปัญญาคือมีสติสัมปชัญญะเราจะรู้ได้ว่าของที่นั่นอยู่ที่นั่นของที่นี้อยู่ที่นี่เ ข, ขาว่าปัญญาเป็นแสงสว่างเป็นกรณีพิเศษฉะนั้นขอบรรดาลุล่นลานี่รักเรื่องปัญหานี้วันนี้ก็ตอบไม่เสร็จทั้ง น, นี้ก็อะไรเพราะหมดเวลาก็ต้องขอลาก่อนอย่าลืมนะว่าถ้าคนดีผีข้ม นีโมโหสดบัณฑิตตัวอาจารย์ทั้งสี่ก็แรงแต่อาจารย์ทั้งสี่ก็รับโทษฐานที่ตนทําไว้แคนั้นขอบรรดาโลกหลานที่รับกันหลายจงอย่าเอาอย่างบัณฑิตทั้งสี่เมื่ออาจารย์เสียนกเป็นต้นจะเป็นคนเลวจึงปฏิบัติตนเช่นเดียวกับโมโหสดแล้วนางอมอผู้เป็นพ ญ, ญา ลูกหลานทั้งหลายโดยทุนหนาจะเป็นคนมีความสุขสำหรับในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลากอรอความสุขแสวัตีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผ ล, ผ ล, ผลจงมีเดิมดานดันพุทธศาสนิกนชนแนะลกหลานที่รักผู้รักสัางสวัสตี